บัดนี้จักได้แสดงธรรมกคาถาสืบต่อไปจงพาการตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธิด 14. ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญญผล พ, พระพุทธภาสิทธ์พระหมปิเจสหิตังพาสมาโนนาตักรโหตินรรปมัตโต โคปวะคาวโวคณะยังปรีสั่งนภะขว่าสามัญยศโหติอัปปมิเจสหิตังภาสมาโนธรมมัสโหติอนุธรรมจารีราคันจะโทสัญจะปหายะโมหังสมมัติชาโนสุวิมุตตะจิตโตอนุปาทิยาโนอิทาวะหุรังวา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 ฝายบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้น้อยแต่เป็นผู้ประพฤติตามธรรมพระราคะโทสะและโมหะได้เป็นผู้รอบคอบมีจิตหลุดพ้นด้วยดีไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งในโลกนี้และโลกอื่นย่อมเป็นอยู่อย่างผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลอธิบายความสามัญญผลแปลตามตัวอักษรว่า ผลแห่งความเป็นสมณะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในสามัญญผลละสูตรอันมีตั้งแต่ผลเบื้องต่ำเช่นเคยเป็นทาตก็พ้นจากทาตจนถึงผลขั้นสูงคือหลุดพ้นจากอาสวะทั้งมวลมองอีกปริยายหนึ่งตีความให้ใช้ได้ทั่วไปทั้งบรรพชิตและคฤหอขัดสามัญญผลอาจหมายถึงผลแห่งความรู้ คือไม่รู้เสียเปล่านำเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์มาปฏิบัติตามให้เกิดความดีงามขึ้นในตนมิใช่เพียงรู้ธรรมกล่าวธรรมแต่ไม่ประพฤติธรรมคนที่รู้ธรรมกล่าวธรรมแต่ไม่ประพฤติธรรมนั้นทรงเปรียบเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโค ร, รุ่งขึ้นก็รับโคไปเลี้ยงเย็นลงก็นับโคส่งแต่ไม่ได้กินนมโคไม่ได้อะไรจากโคนอกจากค่าเลี้ยงประจาวัน เทียบกับผู้รู้มากแสดงธรรมได้มากมีสิทธิ์มากผลที่เขาได้รับก็คือปัจจัยสี่ความเคารพนับถือจากสิทธิ์แต่ไม่ได้สมาธิและวิปัสสนาอย่างนี้ทัดว่ายัางประมาทอยู่ส่วนบางท่านรู้ธรรมน้อยกล่าวธรรมได้น้อยแต่ปฏิบัติตามธรรมได้มากสามารถละกิเลสอันละได้ยากคือราคะโทสะและโมหะจิตหลุดพ้นด้วยดีไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ ท่านได้เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลได้รับผลแห่งความเป็นสมณะจุดใหญ่ใจความก็คือให้ปฏิบัติทำตามสมควรแก่เพศภูมิของตนของตนเพื่อไม่ให้ความรู้และการเรียนเสียเปล่าอีกในหนึ่งให้ได้ผลคุ้มค่าดังเรื่องต่อไปนี้ภิกษุสองสหายชายสองคนชาวเมืองสาวัตถี ฟังพระธรรมของพระาศาสดาแล้วเกิดความเลื่อมใสออกบทพร้อมกันอยู่ในสำนักอุปชาอาจารย์หบรปษาแล้วรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานออกป่าซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าวิปัสสกพิกษุส่วนอีกรูปหนึ่งพอใจเรียนปริยัตหรือคันทะทุระซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าคันติกะพิษุ พระวิปัสสกะพยายามอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายส่วนพระขันติกะเรียนพระใจปิดกจนแตกฉานได้เป็นอาจารย์ของภิกษุประมาณ500เป็นอาจารย์ของคณะถึง18คณะรวมความว่าเป็นขณาอาจาร ย, าย์ใหญ่ภิกษุเป็นอันมากเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่สำนักของพระวิปัสสกะ สมัครตนเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่บำเพ็ญวิปัสนาไม่นานก็ได้สำเร็จอรห a ตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นมีความประสงค์จะเฝ้าพระาศาสดาจึงเรียนท่านว่ากระผมทั้งหลายใคร่ไปเฝ้าพระาศาสดาไปเถิดท่านผู้มีอายุพระพิปัสกะกล่าวท่านทั้งหลายจงถวายบังคมพระาศาสดา และนมัสการพระสาวกผู้ใหญ่80รูปในนามของเราด้วยวงเล็บคือฝากนมัสการอันหนึ่งมีภิกษุผู้เป็นสหายของเราอยู่รูปหนึ่งท่านทั้งหลายจงนมัสการภิกษุนั้นในนามของเราด้วยภิกษุเหล่านั้นไปถวายบังคมพระาศาสดาพระอสิติมหาสาวกและภิกษุผู้เป็นสหายของอาจารย์ตามลำดับ ใครคืออาจารย์ของพวกท่านพระคันติกะภิกสุถามพิกสุผู้สหายของท่านที่บวชพร้อมกันภิกสุทั้งหลายตอบเมื่อพิกสุทั้งหลายเดินทางมาเชตวนารามวิปัสสกะพิสุได้ฝากข่าวมาเยี่ยมเยียนพิกสุผู้สหายเนืองๆจนพิกสุผู้สหายประหลาดใจว่าสหายของเราบวชแล้วเข้าป่า ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกเลยไม่รู้ทมอะไรมากยังสามารถมีสิทธิ์ได้มากมายถึงป่านนี้เมื่อท่านมาเฝ้าพระศาสดาเราจะถามปัญหาดูต่อมาวิปัสสกพิกษุมาเฝ้าพระศาสดาเก็บบาทและจีวรไว้ในสำนักของพระคันติกะเมื่อเฝ้าพระศาสดาและน้ำสการพระอสิติมหาสาวกเสร็จก็มาพักที่สำนักของพระคันติกะผู้สหาย พระคันติกะให้สิทของตนปฏิบัติพระวิปัสสกะแล้วนั่งบนอาสนะเสมอกันตั้งใจจะถามปัญหาพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์นั้นด้วยพระยานทรงดำริว่าคันติกะภิกษุจะพึงตกนรกเพราะเบียดเบียนพระวิปัสสกะพิกษุดังนี้แล้วทรงอาศัยเมตตานุเคราะห์ในคันติกะภิกษุนั้นจึงทรงกระทำประหนึ่งว่า สเสด็จเที่ยวจาริกในวิหารมาถึงสำนักของคันติกะภิกษุแล้วประทับนั่งบนอาสนะแล้วตรัสถามปัญหาหลายอย่างเริ่มต้นแต่ปัญหาเกี่ยวกับปฐมฌานและอื่นๆแก่คันติกะภิกษุไปจนถึงปัญหาในรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติแต่ภิกษุนั้นตอบไม่ได้เลยสักปัญหาเดียวเมื่อทรงถามวิปัสสกะภิกษุท่านตอบได้ ทรงถามปัญหาเกี่ยวกับโสดาปฏิมาจนถึงอรหัตผลคันติกะภิกษุตอบไม่ได้แต่วิปัสสกะภิกษุตอบได้พระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่วิปัสสกะภิกษุนั้นพวกเทวดาก็ช่วยกันสาธุการด้วยพวกสติวิหาริกอันเตวาศิ์ของพระคันติกะตําหนิพระศาสดาว่าทรงประทานสาธุการแก่พระเถระแก่ซึ่งไม่รู้อะไร ส่วนอาจารย์ของพวกตนพระาศาสดาไม่ทรงกระทาแม้สักวะการชมเชยสรรเสริญอาจารย์ของพวกตนเป็นอาจารย์ของภิกษุถึงห0 0พระาศาสดาจึงว่าภิกษุทั้งหลายอาจารย์ของพวกเธอเป็นเหมือนคนเลี้ยงโคได้เพียงค่าจ้างในศาสนาของเราส่วนวิปัสสกภิกษุบุตรของเราเป็น เหมือนเจ้าของโคได้บริโภคแล้วซึ่งปัญจักโครถตามชอบใจของตนดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้มากแต่ไม่ได้ประพฤติทธรรมนั้นก็จัดว่าเป็นผู้ประมาทย่อมไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับโคให้คนอื่นไม่ได้ดื่มปัญจักโครถฝ่ายบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้น้อย แต่เป็นผู้ประพฤติธรรมพระราคะโทสะและโมหะได้เป็นผู้รอบรู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกนี้และในโลกอื่นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลวัคที่หนึ่งเรียกว่ายมก ก, กกวัคกวนนาณารวม14ี่เรื่องจบเพียงเท่านี้สองว่าด้วยความไม่ประมาท อัปปมาทวักวันนาหนึ่งผู้ไม่ตายพระพุทธภาสิอัปปมาโทอมตังปะทังปมาโทมัจจโนปะทังอัปปมัตานมิยันติเยปมมตตายถามตาเอตังวิเศษโตยัตวาอัปปมาธรรมหิปันติตาอัปปมาเทปโมทันติอริยานังโคจเรระตา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 คือการอยู่โดยปราศจากสติถ้าสติหมายถึงการระมัดระวังคาอธิบายของท่านก็ได้ความดีมากบางแห่งท่านเปรียบสติว่าเหมือนแขกยามชาคาริโกพรามโนต้องคอยระวังคนเข้าคนออกอยู่เสมอสติก็เหมือนกันต้องคอยระวังอารมณ์เข้าอารมณ์ออกทางตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นสติจึงเป็นตัวความไม่ประมาท นี่อธิบายตามแนวของพระอัตถคาจารย์แต่สติตามที่ปรากฏในส่วนที่เป็นพระพุทธพจน์นั้นเท่าที่ได้เคยพบมามีสองนัยยะคือนัยยะที่หนึ่งหมายถึงความระวังเช่นที่ตัดตอบปัญหาของอชิตตมานพสิทธพรามภาวรีซึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากซึ่งเป็นดุดกระแสน้หลังไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงความอยากนั้น ละได้ด้วยทำอะไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากความอยากนั้นละได้ด้วยปัญญาในมหาสติปัฏฐานสูตรก็เหมือนกันสติมีความหมายในทางระหวังอารมณ์ในยะที่สองสติหมายถึงการระลึกถึงกิจที่เคยทำและคำที่เคยพูดไว้แล้วแม้นานได้ เส้นที่ตรัสในนาถกรณธรรมสูตรเป็นต้นและเลือกได้ว่าเคยพูดไว้อย่างไรเคยทําไว้อย่างไรความไม่ประมาทอาจคลุมถึงสติทั้งสองลักษณะนี้แต่เน้นหนักไปในความระวังเส้นที่ทรงแสดงเรื่องควรทําความไม่ประมาทในสี่สถานคือ 1. ระวังใจไม่ให้กําหนัดในอารมณ์น่ากําหนัด สองระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์อันหน้าขัดเคืองสระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์อันหน้าหลงสระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อันหน้ามัวเมาพระพุทธองค์ทงรงตำหนิความประมาทไว้มากและทรงสรรเสริญความไม่ประมาทไว้มากเช่นกันเช่นว่าเป็นที่รวมแห่งกุศลธรรมทั้งมวลเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันยังพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงเป็นต้น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 เป็นเครื่องมือแห่งการบรรลุพระนิพพานอันกเกษมจากโยคะเพราะเหตุนี้ในปริพานณ์สมัยพระศาสดาจึงทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ด้วยความไม่ประมาทถือกันว่านั่นเป็นปัจฉิ ม, มโอวาทแห่งพระองค์เรื่องประกอบพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเดิมทีชื่อสามาเป็นทิดาแห่ง เศรษฐีนามพัทวดีในพัฒวดีนครเป็นสหายกับโคสกะเรษธีแห่งเมืองโกสัมพีท่านเรียกว่าเป็นอธิตตะปุพพสหายแปลว่าเพื่อนที่ไม่เคยเห็นกันกล่าวคือเศรษฐีทั้งสองต่างได้ทราบเกียรติคุณของกันและกันจากหมู่พ่อค้าที่เดินทางไปมาค้าขายระหว่างเมืองทั้งสองแล้วต้องการครบกันว้เป็นมิตร ต่างก็ส่งบรรณาการให้กันโดยฝากพ่อค้าไปคราวหนึ่งเกิดอหิวาตะกะโรคขึ้นในเมืองพัทธวดีเป็นโรคระบาดที่ทำลายชีวิตคนมากวงเล็บเมืองอินเดียโดยปกติบางเมืองโศกปรกมากเมื่อเกิดโรคระบาดคนตายกันครั้งละมากๆเสมอเขามีเคล็ดอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าจะหนีอหิวาต้องพังฝาเรือนหนีออกทางประตูไม่ได้ ข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือหรือคำว่าทำลายฝาเรือนหนีไปเป็นเพียงสำนวนอย่างหนึ่งแต่มีความหมายอย่างอื่นเช่นคำว่ากินปูนร้อนท้องในภาษาของเราไม่ได้หมายความว่ากินปูนจริงแต่หมายความว่าเมื่อทำผิดแล้วเดือดร้อนไปเองหรือว่าคนนี้เป็นวัวสันหลังวะก็ไม่ได้หมายความเช่นนั้นแต่หมายความว่าเป็นคนมีความผิดแล้วชอบระแวงดังนี้เป็นต้น คำว่าทำลายฝาเรือนหนีไปก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตรงตามตัวหนังสือก็แล้วไปหรือเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งในการหนีอหิวาเพราะในบาลีและอัตถกถาทุกแห่งพูดถึงการหนีอหิวาครั้งใดก็ทำลายฝาเรือนหนีไปครั้งนั้นรวมความว่าพัะทวีเศรษฐีและภรรยารวมทั้งบุตรีคนหนึ่งชื่อสามาหนีอหิวาพากันมุ่งหน้าไปเมืองโกสัมพี เพื่อพึ่งอาศัยโคสกะเศรษฐีสหายกันในระหว่างทางสเสบียงหมดแต่ต้องอดทนเดินต่อไปจนถึงประตรูเมืองโกสัมพีทั้งสามต้องอิดโรยด้วยความหิวและลมแดดอย่างน่าสงสารความอดทนอย่างเดียวทําให้ถึงเมืองโกสัมพีแต่ก็ถึงด้วยความยากลําบากเต็มทนทั้งสาพักที่ศาลาหน้าเมืองเศรษฐีกล่าวขึ้นว่า สภาพของเราในเวลานี้แม้บิดามารดาก็ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการพบเราควรบำรุงร่างกายให้ดีพอสมควรเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปหาเศรษฐีสหายของเราฉันทราบมาว่าโคสกะสหายของเรา ส, ระสละทรัพย์บรรพันให้ทานแก่คนเดินทางและคนกัมปราคนยากจนเป็นต้นเราควรให้ลูกสาวสามมาไปขออาหารมาเลี้ยงดูกัน บำรุงสรีระให้กระปีก้กระเปล่าสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยไปหาสหายภรรยาเศรษฐีและธิดาก็เห็นด้วยกับข้อปรารพของเศรษฐีในวันรุ่งขึ้นสามาถือภาชนะเดินปะปนไปกับคนขอทานคนกัมพระอนาถาประเภทต่างๆแน่นอนความละอายต้องมีอยู่เป็นอันมากแต่ความจำเป็นคือความวิบัติได้เข้ามาตัดความละอายนั้นให้ขาดลง เธอเดินก้มหน้าตามคนทั้งหลายไปเมื่อถึงวาระของเธอผู้แจกทานชื่อมิตะกุดุมพีถามขึ้นว่าเธอรับกี่ส่วนสมส่วนค่ะเธอตอบมิตรกุดุมพีก็มอบให้สามส่วนเธอได้นำอาหารมาให้มานดาบิดาฝ่ายมานดาพยายามอ้อนวอนให้สามีบริโภคก่อนส่วนตนและลูกหญิงจักบริโภคภายหลัง แต่เศรษฐีบริโภคมากเกินไปคืนนั้นอาหารไม่ย่อยพอรุ่งเช้ามาก็สิ้นชีพความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นแก่มารดาและลูกหญิงทั้งสองอีกวันนั้นสามาไปขออาหารสองส่วนคนแจกทานก็ให้ตามต้องการเธอนำมาแล้วอ้อนวอนให้มารดาบริโภคมารดาของเธอบริโภคแล้วอาหารไม่ย่อยอีกสิ้นชีพในวันนั้น คราวนี้สามามีความทุกโทมนัดอย่างใหญ่หลวงวันรุ่งขึ้นร้องให้คร่ำครวญไปกับขอทานไปขออาหารจากมิตรกุดุมพีต้องการเท่าไหร่หนึ่งส่วนเจ้าค่ะเธอตอบมิตรกุดุมพีจำได้จึงด่าใส่หน้าว่าจงชิบหายเสเถิดหญิงถอยเจ้าเพิ่งรู้จักประมาณท้องของเจ้าวันนี้เองหรือ วันก่อนขอสามส่วนเมื่อวานสองส่วนวันนี้ขอเพียงส่วนเดียวสัมาสตรีผู้กำเนิดและเจริญเติบโตในตระกูลอันไพศาลมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเมื่อได้ฟังดังนี้มีความรู้สึกประหนึ่งว่ามีอาวุธอันแหลมคมเสียบเข้าที่อกหรือบือนใครเอาน้ำกรดมาราดรถบนแผลมันเจ็บแสบสุดจะพรรณนาได้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 สามาเล่าเรื่องทั้งปวงให้มิตรกุดุมพีฟังมิได้ปิดปังอำพรางเลยมิตรกุดุมพีฟังแล้วเศร้าใจเหลือเกินจนไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้เอามือรูปศีรษะสามาจูมพิษที่ศีรษะด้วยเมตตาอย่างลูกแล้วกล่าวว่าอย่าคิดอะไรมากเลยสามาเจ้าเป็นทิดาของพัทธวีเศรษฐีก็เหมือนเป็นธิดาของเรา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 เอ็ดอึงจนหน้าเวียนหัวไม่ต้องกล่าวถึงพวกขอทานธรรมดาสามาคงได้เห็นช่องทางอะไรบางอย่างตั้งแต่คราวที่ตนมาขอเมื่อได้ยินเสียงเอ็ดอึงวันหนึ่งจึงพูดกับมิตรกุดุมพีว่าไม่สามารถทำคนเหล่านั้นให้เงียบเสียงได้หรือมิตรกุดุมพีตอบว่าไม่สามารถทาได้เธอจึงบอกว่าน่าจะทาได้ทาอย่างไรลูกคุณพ่อให้คน ร้อมโรงทานเข้ามีประตูสองด้านด้านหนึ่งเข้าด้านหนึ่งออกให้เข้าและออกได้เป็นแถวเรียงหนึ่งวงเล็กแบบที่พวกเราสมัยนี้เข้าคิยวซื้อตัวรถไฟเป็นต้นเข้าทางหนึ่งออกอีกทางหนึ่งถ้าทำได้อย่างนี้เสียงเย็ดอึงเสียงแย่งกันก็จะหมดไปมิตรกุดุมพีเห็นว่าอุบายนั้นดีจึงได้ให้คนทำอย่างนั้นเสียงเส้งแส่ หมดไปจริงๆมิตรกุดุมพีสบายใจมากฝ่ายโคสกะเศรษฐีเจ้าของทานเคยได้ยินเสียงเซ็งแ่ก็ยินดีว่าเป็นเสียงในโรงทานของตนเมื่อไม่ได้ยินสองสามวันประหลาดใจเมื่อพบมิตรกุดุมพีก็ถามรู้เรื่องทั้งปวงแล้วจึงรับสามาไว้ในฐานะธิดาของตนมอบหญิงอื่นจำนวนร้อยให้เป็นบริวาร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 พระเจ้าอุเทนประทับอยู่ที่สีหะบัญชรคือหน้าต่างทอดพระเนตรเห็นสา ม, มาวดีแล้วเกิดปฏิพัตจึงตรัสถามพระราชบุุษว่าเป็นใครเมื่อทรงทราบว่าเป็นทิดาของโคสกะเศรษฐีจึงทรงส่งพระราชสารไปว่าขอให้เศรษฐีมอบทิดาชื่อสา ม, มาวดีให้ฉันแต่เศรษฐีไม่ยอมให้เพราะเกรงลูกสาวจะไปลาบากในวังและเกรงว่าหาก พ, าพลาดพรั้งลง อาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตหรือมิฉะนั้นอาจถูกโบยตีโดยพระราชอา ญ, ญาพระราชาอุเทนทรงส่งพระราชสารไปถึงสองครั้งแต่เศรษฐีก็คงยืนกลานอยู่นั่นเองพระราชาทรงกลิ้วจึงรับสั่งให้จับเศรษฐีและภระยาค้าออกนอกเรือนให้ตีตราปิดบ้านใครเข้าไม่ได้สามาวดีกลับจากอาบน้าเข้าบ้านไม่ได้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 เป็นอันว่าพระเจ้าอุเทนได้สามาวดีเป็นพระมเหสีตามพระประสงค์ตั้งไว้ในตําแหน่งอครมเหสีแต่นั้นมานางก็เป็นพระนางสามาวดีพระเจ้าอุเทนมีพระมเหสีหลายพระองค์เช่นพระนางสุลทัตาพระราชธิดาของพระเจ้าจันทประโชดแห่งอุเฉนีนครและพระนางมาคันธิยาสาวงามแห่งมาคันธิยคามเป็นต้น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 ท่านควรเป็นพัสดาของเธอข้าพเจ้าจะยกเธอให้แก่ท่านขอท่านจงยืนคอยอยู่ตรงนี้สักประเดียวหนึ่งพระาศาสดามิได้ตรัสอะไรพ ร, รามเข้าไปในบ้านบอกภรรยาให้แต่งตัวให้บุตรีให้ดีแล้วนำออกไปภายนอกเพราะได้พบบุรุษอันสมควรแก่นางแล้วข่าวเรื่องนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วมีคนมาดูกันมาก ด้สงสัยว่าชายผู้นั้นจะมีลักษณะประการใดพระศาสดาได้เหยียบรอยพระบาทไว้แล้วเสด็จเลี่ยงไปประทับที่อื่นท่านกล่าวว่ารอยพระบาทที่พระศาสดาทรงอธิฐานแล้วเหยียบไปนั้นทรงประสงค์ให้บุคคลใดเห็นบุคคลนั้นเท่านั้นจึงจะเห็นรอยพระบาทนั้นจะไม่ลบเพราะช้างเหยียบฝนตกหนักหรือลมพัดแรง พรามและภรรยาพร้อมทั้งบุตรีเที่ยวเดินตามหาพระศ า, าสดาแต่ไม่เห็นนางพราหมณีได้เห็นรอยพระบาทก่อนจึงถามพราหมณ์ว่านี้เป็นรอยเท้าของท่านผู้นั้นหรือพราหมณ์ตอบว่าใช่นางพราหมตรวจ ด, ดูลักษณะพระบาทแล้วกล่าวกับสามีว่านี้มิใช่รอยเท้าของผู้คล่องในกา ม, มารมลมแล้วได้กล่าวลักษณะแห่งเท้าว่าคนเจ้าราคะ รอยเท้ากระย่งวงเล็บคือเว้ากลางคนเจ้าโทสะรอยเท้าหนักส้นคนเจ้าโมหะหนักทางปลายนิ้วเท้ารอยเท้าเช่นนี้เป็นรอยเท้าของคนไม่มีกิเลสพราหมบอกว่านางพรามอวดดีอวดรู้ไม่เข้าเรื่องบอกให้นางนิ่งเสียแต่พระมณีก็ยังยืนยันความเห็นของตนว่ารอยเท้าเช่นนี้เป็นของคนที่ไม่มีกิเลส พราหม์เที่ยวเดินตามหาจนพบพระพุทธเจ้าจึงทูลขอให้รับลูกสาวของตนไว้เป็นภรรยาพระศาสดาตรัสเล่าชีวประวัติของพระองค์ให้พราหม์ฟังตั้งแต่ต้นว่าทรงมีความสุขมาอย่างไรจนเสด็จออกผนวชถูกนางตันหาราคาอราดียั่วยวนแต่หาทรงพึงพระไทยในานางเหล่านั้นไม่แล้วตรัสย้ำว่าพราหม์เออย เราไม่ได้พอใจในเมถุนเพราะได้เห็นนางตัญหาราคาอรดีผู้สวยเลิศก็ฉะนเล่าเราจะพอใจในที่ดาของท่านอันเต็มไปด้วยมูดและกรีดวงเล็บปุจจาระและปัสสวะเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องที่ดาของท่านแม้ด้วยเท้าเป็นต้นพระศาสด า, สาทรงแสดงธรรมอีกโดยอเนกปริยายเมื่อจบลงพรามและพรามณีได้บรรลุนาคามิผล ฝ่ายนางมาคันธิยาผูกาคาตในพระศาสดาว่าสมณะนี้ป่ากร้ายนักเมื่อไม่ต้องการเราก็ควรจะบอกเพียงว่าไม่ต้องการหรือตอบเลี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมารยาทอันดีของสุภาพบุรุษแต่นี่กลับดูหมิ่นเราว่าเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะเอาเถอะเมื่อใดเราได้ภัะสดาอันพรั่งพร้อมด้วยชาติตระกูลประเทศโภคยศและไวแล้ว เราจะแก้แค้นสมณะโคโดมนี้ให้ได้มีปัญหาที่ถามกันอยู่เสมอว่าพระศาสดาตัดคำเช่นนี้ทำไมพระองค์ไม่ทรงทราบหรือว่าเมื่อตัดออกไปแล้วนางมาคันทิยาจักผูกอาคาตในพระองค์พระอัฏฐกถาจารย์อธิบายไว้ว่าพระศาสดาทรงทราบดีแต่ทรงมุ่งมักผลแก่พรามและพรามณีทั้งสองธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงคำหนึ่งว่า ตัดออกไปแล้วใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่ทรงมุ่งประโยชน์เป็นที่ตั้งใครจะอาฆาตก็เป็นเรื่องของคนนั้นพระวาจาที่พระองค์ตัดนั้นต้องจริงและเป็นประโยชน์ฝ่ายพราหมณ์และพราหมณีสําเร็จอนาคามิผลแล้วพามาคันธิยาบุตรีไปฝากกับจุลมาคันธยะผู้เป็นอาแล้วออกบวชในสำนักพระาศาสดาไม่นานนักก็ได้สําเร็จอรสาตผล ฝ่ายจุลมาคันธิยาคิดว่าหลานของตนไม่สมควรแก่คนต่ำจึงนำไปสู่โกสัมพีถวายแก่พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนทรงรับวายและแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอคระมเหสีมีบริวาร500ขณะที่พระนางมาคันธิยาทรงเป็นอคระมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนอยู่นั้นพระาศาสดาก็เสด็จมาโกสัมี พระนางมาขันทิยาได้โอกาสจึงจ้างคนให้เที่ยวตามด่าพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์จนพระอานนุนทนไม่ไหวทูลให้เสด็จไปเมืองอื่นแต่พระาศาสดามิได้ทรงวันไหวตรัสกับพระอานนุนว่าถ้าไปไหนมีคนด่าแล้วหนีก็ต้องหนีกันอยู่เรื่อยในที่สุดจะไม่มีแผ่นดินอยู่พระาศาสดาทรงเตือนและทรงยืนยันว่า เราจะอดทนต่อถ้อยคําล่วงเกินของผู้อื่นดังช้างศึกในสงครามอดทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศทั้งสเพราะคนส่วนมากเป็นคนชั่วบุคคลย่อมนําสัตว์พาณนะิชที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมสัตว์ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นคนที่ฝึกให้อดทนต่อคําล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุด พระศาสดาตรัสแก่พระอานุนว่าเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่พระองค์จะสงบลงภายในวันที่เจ็จะไม่เกินนั้นเพราะฉะนั้นอย่าได้วิตกไปเลยฝ่ายพระนางมาคันทิยาทราบว่าการจ้างคนให้เที่ยวตามดาพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถให้พระองค์เสด็จออกจากเมืองโกสัมพีได้จึงคิดว่าพระนางสามาวดีเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ คอยอุปธรรมบำรุงอยู่พระพุทธเจ้าจึงอยู่ได้หากกําจัดพระนางสามาวดีพระพุทธเจ้าขาดผู้อุปธรรมบำรุงก็จะเสด็จออกจากเมืองโกสัมพีไปเองพระนางหาเรื่องใส่ความพระนางสามาวดีว่าคิดนอกพระไทยพระเจ้าอุเทนเอาพระไทยไปฝักไฝ่กับพระพุทธเจ้าจึงให้อามาคันทยะเอาไก่เป็น8ตัวและไก่ตาย8ดตัว มาถวายพระราชาขณะที่พระราชาประทับณนะห้องสเสวยน้ำจันทร์มีผู้นำไก่มาถวายพระเจ้าข่ามหาเล็กทูลใครพระราชาตัดถามปุโรหิตมาคันธิยะพระเจ้าข่าเท่าไรแปดตัวพระเจ้าข่าเออดีแกงแก้มเล่าพระราชาตัดพลางสรงพระสวนให้ใครแกงดี พระนางสามาวดีพระเจ้าค่ะพระนางมาคันธิยาทูลพระนางสามาวดีและบริวารว่างงานเที่ยวเตะอยู่ทุกวันพระราชารับสั่งให้มหาดเด็กนำไก่ไปให้พระนางสามาวดีแกงพระนางมาคันทิยาให้รางวัลแก่มหาดเล็กกระซิบให้นำไก่เป็นแปดตัวไปพระนางสามาวดีทูลกลับมาว่าพระนางแกงถวายไม่ได้เพราะ ไม่ทรงทำปานาติบาตพระนางมาคันธียาทูลพระเจ้าอุเทนว่าขอพระองค์ทรงลองใหม่คือรับสั่งว่าให้แกงไปถวายพระสมณโคดมคราวนี้พระองค์จักทรงทราบว่าหญิงสาวเหล่านั้นทำปานาติบาตหรือไม่ทำพระราชารับสั่งอย่างนั้นพระนางมาคันธียากระซิบให้นำไก่ตายแปดตัวไปพระนางสามมาวดีทอดพระเนตรเห็นไก่ตายแล้วและพระราชา มีกระแสรับสั่งให้แกงไปถวายพระพุทธเจ้าก็ทรงโสมานัดตัดว่านี่เป็นหน้าที่ของเรามหาเล็กนำความข้อนั้นมาถูนแด่พระราชาพระนางมาคันธิยาได้โอกาสจึงถูนว่าทรงเห็นไหมหญิงเหล่านั้นเป็นอย่างไรเมื่อรับสั่งให้แกงไก่ถวายพระองค์ไม่ทรงกระทำแต่พอรับสั่งว่าให้แกงถวายพระสัมมาโคโดก็รีบทาทันทีพระเจ้าอุเทนทรงเฉยเสีย ตามปกติพระราชาจะประทับที่ปราสาทของพระนางทั้งสคือพระนางสามาวดีพระนางวาสุลัตาและพระนางมาคันธิยาแห่งละเจดวันพระนางมาคันธิยาทราบว่าอีกวันสองวันพระราชาจะเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดีจึงส่งข่าวให้อาว่าให้นางูตัวหนึ่งมาให้และให้ถอนเขี้ยวออกให้หมดเสียก่อน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 งูซึ่งอดอาหารมาสองสามวันแล้วเลื้อยออกมาแผ่พังผานอยู่บนแท่นบันทมพระนางมาคันธิยาจึงร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่างูพระเจ้าข้าแหละแล้วพระนางก็ด่าพระราชาและพระนางสามมาวดีเสียมากมายเป็นตนว่าพระราชาพระองค์นี้โง่นักไม่มีวาสนาไม่ฟังคำพูดของเราอีกหญิงเหล่านี้ก็เป็นคนไม่มีสิริหัวดือ้อ พวกมันไม่ได้รับเลี้ยงดูหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตแล้วพวกมันจะอยู่กันสบายหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงพระสนอยู่มันอยู่ลำบากกันนักหรือวันนี้เองเราฝันร้ายพยายามเฝ้าวอนอยู่อย่าเสด็จปราศาสตรของอีหญิงถอยคนนี้แต่พระราชาโง่เขาก็หาฝังไม่พระราชาทรงพิโรธมากเพราะหลายครั้งหลายคราวมาแล้วแต่ไม่ประจักษ์ชัดเหมือนคราวนี้ ทรงโกงธนูจะหยิงพระนางสามาวดีและบริวารเสียให้สิน้นพระนางสามมาวดีให้โอวาทแก่บริวารของตนว่าที่เพึ่อย่างอื่นไม่มีอีกแล้วขอพวกเราจงแผ่เมตตาไปยังพระราชาพระเทวีและในตนให้มีจิตสม่ำเสมออย่าได้โกรธใครเลย พนูของพระเจ้าอุเทนนั้นร้ายแรงนักกล่าวกันว่าสามารถทําลายแม้ศิลาแท่งทึบได้ทรงปล่อยลูกศร อ, อาบยาพิษมุ่งอุระประเทศของพระนางสามาวดีแต่ด้วยอํานาจแห่งเมตตานุภาพลูกศรได้หวนกลับมาอย่างพระองค์มีอาการประหนึ่งว่าจะเจาะหัตถ์ไทยของพระองค์แล้วตกลงพระราชาทรงดําริว่า ลูกสอนไม่มีจิตยังรู้คุณของพระนางสามาวดีก็เราเป็นผู้มีจิตชนไหนจึงไม่รู้คุณของพระนางดังนี้แล้วทรงทิ้งธนูทรงนั่งกระยงประคองอัญชลีอยู่แทบพระบาทของพระนางสามาวดีขอให้พระนางสามาวดีจงเป็นที่พึ่งของพระองค์แต่พระนางถูลว่าขออย่าได้ทรงถือพระนางเป็นที่พึ่งเลย พระนางถือผู้ใดเป็นที่พึ่งขอพระองค์จงถือผู้นั้นเป็นที่พึ่งด้วยผู้นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนพระราชาได้ความเดื่อสายในพระศาสดาแล้วทรงนิมนต์พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เสวยที่พระราชนิเวศเจวันทรงขอร้องให้พระนางสามมาบดีรับพรพระนางจึงทูลขอพรว่าขอให้อราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ มาเสวยในพระราชวังเป็นเนื่งนิดพระนางไม่ต้องการพอรอย่างอื่นพระราชาจึงทูลอาราธนาพระศาสดาแต่พระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบ่อพิษ ธ, ธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ควรไปเสวยในที่เดียวเป็นประจำเพราะประชาชนย่อมต้องการให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังบ้านเรือนของเขาบ้างถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ทรงสงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งด้วยเถิด พระศาสดาทรงมอบหมายหน้าที่นั้นให้พระอานนตั้งแต่นั้นมาพระอานน์ก็พาภิกษุประมาณห้าร้อยรูปไปสู่รหักุลเป็นเนืองนิดพระนางสามาวดีและบริวารก็ได้ถวายทานได้ฟังธรรมอยู่เนืองนิดเช่นเดียวกันส่วนพระนางมาคันทิยามีความขัางแค้นเพิ่มพูนขึ้นเพราะตนได้ทำสิ่งใดลงไปคาดผลอย่างหนึ่งแต่ผลอีกอย่างหนึ่งกลับเกิดขึ้น ยิ่งกว่านั้นพระราชายังไปเลื่อมสายในพระสมณโคดมเส่อีกพระนางทรงดําริว่าคราวนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายสามาวดีเอ๋ยมึงต้องตายอย่างแน่นอนพระนางขอร้องให้อามาคันธยะไปสู่ปราศาสตรของพระนางสามาวดีเปิดเรือนคลังแล้วเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วพันเสาปราศาสขังหญิงซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขไว้ในห้อง ลั่นดานประตูภายนอกเสียแล้วเผาปราศาสตรขณะนั้นพระเจ้าอุเทนเสด็จสู่พระราชอุทยานเพื่อสมกีฬาบางอย่างพระนางสามาวดีทอดพระเนตรเห็นนายมาขันทิยะทำเช่นนั้นจึงเสด็จมาถามว่าทำอะไรกันเขาทูลตอบว่าพระราชารับสั่งให้ทําเพื่อให้ปราศาสตรมั่นคงขอพระนางเสด็จเข้าประทับในห้องเสียเถิดเมื่อพระนางสามาวดีและบริวารเสด็จเข้าห้องแล้ว เขาก็ลั่นประตูภายนอกหมดแล้วจุดไฟเผาปราศาสตร์พระนางสามาวดีทรงทราบว่าจะถูกเผาทั้งเป็นดังนั้นจึงให้โอวาทแก่หญิงบริวารว่าเมื่อพวกเราท่องเที่ยวอยู่ในวัดตะสงสารอันยาวนานนี้เคยถูกไฟเผามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแม้พุทธญาณก็กำหนดได้ยากท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด ยิงเหล่านั้นขณะที่พระตำหนักถูกไฟไม่อยู่ก็มนสิกาลเวทนาปริฆ ะ, ะกรรมฐานวงเล็บกําหนดเวทนาบางพวกในบรรลุโสดาบันบางพวกเป็นสักขาคามีบางพวกเป็นอนาคามีสมจริงดังที่พระธรรมสังฆาคอ า, าจารย์กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นแลภิษุเป็นอันมากกลับจากบิณฑบาตชันอาหารแล้ว เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภายในบุรีของพระเจ้าอุเทนถูกไฟไหม้หญิงห้าร้อยมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขได้ทาการกิริยาคือตายแล้วสัมปรายภพของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรหนอพระศาสดาตรัสว่าอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นโสดาบันก็มีเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มี อุบาสิกาเหล่านั้นทากาละอย่างไม่ไร้ผลพระผู้มีพระภาคทรงเต่งอุทานว่าโลกมีความหลงเป็นเครื่องผูกพันจึงปรากฏให้เห็นเหมือนมีรูปควรแก่ความยึดมั่นถือมั่นคนผานมีอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องผูกไว้ถูกความมืดแวดล้อมจึงมองเห็นสิ่งต่างๆว่าเทียงแต่ความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นแจ้ง พระศาสดาทรงแสดงธรรมต่อไปว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตที่ไม่ประมาททำบุญกรรมอยู่เป็นนิตก็มีที่ประมาททำบาปกรรมอยู่เนืองๆก็มีเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสเสวยสุขบ้างทุกบ้างพระราชาทรงทราบข่าวเรื่องพระตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้รีบสเสด็จมาแต่ไม่ทันการเสรแล้วทรงโทมนัอย่างลึกซึ้ง ทรงระลึกถึงคุณงามความดีของพระนางสามาวดีแล้วความโศกสลดได้กินลึกลงไปในหัวใยของพระองค์ทรงพิจารณาเหตุผลแล้วแน่พระไยว่าการครั้งนี้ต้องเป็นการกระทาของพระนางมาคันธิยาแต่หากจะถามตรงๆพระนางคงไม่รับจำต้อง อ, อกุบายถามจึงตัดกับอำมาตซึ่งแวดล้อมอยู่ว่าเมื่อก่อนนี้เรานั่งนอนหาเป็นสุขไหม คอยระแวงแต่พระนางสามาวดีเพราะเธอคอยหาช่องทาอันตรายเราอยู่เป็นนิดบัดนี้พระนางนั้นสิ้นพระชนแล้วเป็นความสุขของเราจริงหนอผู้ทากรรมนี้คงจะมีความรักในเราอย่างหนักแน่นใครหนอทำกรรมนี้ขณะนั้นพระนางมาคันทิวาเฝ้าอยู่เห็นเป็นโอกาสเช่นนั้นจึงถูนขึ้นข้าแต่พระองค์คนอื่นใครเล่าจะาจงรักพักดีต่อพระองค์เท่าหม่อมชัน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 คราวนั้นคนที่ไม่ใช่ญาติก็ให้สินจ้างรางวัลแก่ ญ, ญาติของพระนางมาคันธยาขอให้รับตนเข้าเป็นญาติด้วยพากันมามากมายพระราชารับสั่งให้จับคนเหล่านั้นมัดไว้ให้ขุดหลุมลึกประมาณเสดือที่พระลานหลวงให้ญาติของพระนางมาคันธยายืนในหลุมเอาดินร่วนกลบเกลียวฟางไว้ปากหลุมแล้วจุดไฟเผา พอไฟไหม้หนังแล้วรับสั่งให้เอารถเหล็กไถให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยส่วนพระนางมาคันทิยานั้นพระราชารับสั่งให้เอาลงหลุมฝังเหมือนญาติแต่งให้เชือดเฉือนเนื้อล่ําทอดในกระทะแล้วบังคับให้เสเวยสิ้นพระชนด้วยอาการอันน่าสังเวชยิ่งวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระนางสามาวดีและบริวารสิ้นพระชนด้วยลักษณะการอันไม่สมควร เพราะพระนางเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเห็นปานนั้นไม่ควรสิ้นพระชนอย่างนั้นเลยพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าพระนางสามมาวดีสิ้นพระชนไม่สมควรแก่กรรมในบัดนี้แต่สมควรแก่กรรมในอดีตตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตหญิงห้าร้อยมีพระนางสามมาวดีนี่แหละ เป็นประมุขบำรุงพระประเจกพระพุทธเจ้าแปดองค์อยู่ในวังของพระเจ้าพรหมทัตเมืองพาราณสีวันหนึ่งเมื่อฉันเสร็จแล้วพระประเจกพระพุทธเจ้าเจ็องค์ไปสู่ป่าหิมพานอีกองค์หนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ในที่อันรกด้วยกอหญ้าริมแม่น้ำพระราชาพาหญิงเหล่านั้นไปเล่นน้ำในแม่น้ำหญิงเหล่านั้นเล่นน้ำอยู่แทบทั้งวันเมื่อขึ้นจากน้ำก็รู้สึกหนาวต้องการก่อไฟผิง มองไปเห็นกอหญ้าจึงจุดไฟล้อมกอหญ้าผิงอยู่พอหญ้ายุบแลเห็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าจึงร้องขึ้นว่าพวกเราแย่แล้วพวกเราแย่แล้วพระประเจกพระพุทธเจ้าถูกไฟคลอกพระราชาทรงทราบจากลงโทษพวกเราอย่างหนักพวกเราจงเผาท่านให้ไหมให้หมดดังนี้แล้วช่วยกันหาฝืนมาสมแล้วเผาพระประเจกับพระพุทธเจ้าสำคัญว่าท่านต้องถูกไฟไหม หมดอย่างแน่นอนจึงส่วนกันหลีกไปพอวันที่เจ็ดพระประเจกพรพุทธเจ้าก็ลุกไปอย่างสบายเพราะธรรมดามีอยู่ว่าขณะที่ท่านอยู่ในสมาบัตินั้นจะเอาฟืนสัก6กร้อยเล่มเกวียนมาเผาก็ไม่สามารถทำให้สริระของท่านอุ่นได้หญิงเหล่านั้นหมกไหมยอยู่ในนรกหลายพันปีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกไฟคลอกตายมานับจานวนร้อยชาติ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 เพราะฉะนั้นพระนางมาคันท่ยาชื่อว่าเป็นผู้ตายส่วนพระนางสามาวดีเป็นผู้ไม่ตาย